ใครเคยโดนเสี้ยนตําบ้างถ้าน้ํามันตําใจนหนายกใจนี่จะเป็นยังไงเขาเคยมีเรื่องสมัยพู้สการเรื่องน้ํายกใจนะประวัติของอโคสกะเสตีคือมีอยกครั้งหนึ่งนะนะโคสกะเศรษตีนี่เขาพ่อของโคสกะเรษตีเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงพ่อแท้ๆของโคสกะเศสตีเนี่ยอเป็นคือแม่ของโคสกะเรษตีเนี่ยเป็นโสเภณีนะนะ พอได้ลูกก็อกรรมที่อดีตตัวเองเนี่ยเคยทิ้งลูกก็ทําให้แม่ที่เป็นโสเพณีเนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเพราะว่าสำนักโสเภณีไม่ต้องการผู้ชเด็กลูกชายต้องการแต่ลูกสาวนะใช่แล้วก็ถูกเอาไปทิ้งทีนี้ถูกเอาไปทิ้งเข้าในวันที่คลอดเนี่ยนะปุโรหิตเขาก็ถ่ายลางลเด็กที่เกิดวันนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้ รู้ได้เลยว่าใครที่เกิดวันนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตามตำราหมอดูบอกอยนะ่างนั้นเป็นปุโรหิตของพระราชาอ่วันนั้นท่านเศรษฐีก็เดินไปเจอปุโรหิตอ า, อาจารย์โหราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่สมัยนั้นขออาจารย์วันนี้มีเหตุการณ์อะไรพิเศษบ้างไหมเออไม่ยังอื่นไม่มีนะเกี่ยวกับบ้านเมืองไม่มีแต่ว่าเด็กที่เกิดวันนี้เนี่ยมันจะเป็นมหาเศรษฐี ก็ใจเนี่ยโหดีใจลูกสาวออลูกเร า, เ, าเนี่ยก็ท้องอยู่ทุกพอดีเลยมียคลอดลรืยังลูกก็เลยให้ไปถามดูไม่มีเราคลอดหรือยังแบบยัง<ม>ก็เลยไปเที่ยวหาเด็กเด็กดูซิว่าไปหาดูว่าวันนี้มีเด็กคลอดตั้งไหมก็บอกว่ามีก็คือไปเจอเด็กชายที่ที่คนเอาไปเลี้ยงอ่ะนะคนไปเก็บได้ก็เลยเอาไปเลี้ยงก็เลยบอกว่าเอาไปขอซื้อเข้ามาซื้อเด็กคนนี้มาก็มาเลี้ยงก็งคิดตัวเองก็คิดในใจว่าถ้าหากว่ า, าได้ลูกชายมา ไปซื้ลูกชายมาได้คนหนึ่งเาว่าถ้าวันนี้ได้อถ้าลูกของเราคลอดออกมาเป็นลูกสาวจะให้ลูกคนเนี้ยมาแต่งกับลูกสาวเราแต่ถ้าเป็นลูกถ้าคลอดออกมาเป็นลูกชายเราจะฆ่ามันทิง้ง น, ในันะใจนี้คิดไว้แล้วคิดอคติเพราะด้วยเศษกรรมของโคสกานั่นแหละนะทําให้คนมีคิดกองร้ายแต่แล้วก็วันหลังพริยาตัวเองก็คลอดออกมาเป็นลูกชายพอได้ลูกชายออกมาแล้วนั่นะ ก็ได้ลูกชายออกมาเอ๊คิดจะฆ่าแล้วทําไงดีกับฆ่าวางแผนฆ่าอยู่ประมาณเจ็ดครั้งด้วยกันทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็วางแผนฆ่ามาหลายครั้งคือยังไงก็ฆ่าไม่สําเร็จยิ่งคิดจะฆ่าเนี่ยนะใจมันก็บอกมองโคสกะมองเด็กชายโคสกะคนเนี้ยมันหนามยอกใจตลอดเลยเพาจะฆ่ามีวันหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธที่เกลียดรุนแรงมากเศรษฐีนี่โกรธเกลียดรุนแรงชนิดที่รรแรงจริงเลย ก็มียวันหนึ่งว่าจะฆ่าวางแผนฆ่าหลายครั้งแล้วไม่สําเร็จอ่ะนะ แ, แล้วก็ไปจ้างนะช่างหม้อไปคุยกับช่างหม้อช่างหมอ้อฉันนี่มีลูกชายเลวมากคนหนึ่งอ่ะนะช่วยเป็นภาระฆ่าให้ทีถ้าแกฆ่าให้ฉันให้พันหนึ่งอ่ะนะเพราะวันไหนที่ที่เผาเตาอบเตาอบหม้อเนี่ยนะวันนั้นช่วยสับให้มันเป็นท่อนๆแล้วก็จับโยนเข้าไปในกองไฟเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลแก บอกโอ้ยสบายมากครับเจ้านายว่างั้นออาจ้านายส่งเด็กคนนั้นมาก็แล้วกันเดี๋ยววันนู้นผมจะเผาแล้วก็จะเศรษฐีนี่ก็กลับไปถึงบ้านก็เรียกโคศกามายหนูพ่อมีธุระที่บ้านช่างหม้อวานเธอไปทําธุระให้พ่อหน่อยเนี่ยเอาหนังสือไว้เขียนหนังสือบอกลูกชายคนนี้มันเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้เลี้ยงไปก็ครอบครัวไม่เจริญต้องช่วยค่าให้ทีก็แล้วกัน จดมาไอเด็กคนนี้เนี่ยเนื่องจากพ่อวางแผนฆ่าตัวเองเกิดมาอ่านหนังสือไม่ออกแม้แต่คําเดียวเพราะตัวพ่อไอพ่อเลี้ยงเนี่ยที่ซื้อมาคิดจะฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนี่ในที่สุดก็วันหนึ่งก็ใช้ให้ลูกเอาจดหมายนีย่ไปให้ช่างมอให้ระหว่างทางเนี่ยไปไปเสรษทีลูกแท้กับลูกลูกเลี้ยงเนี่ยไอลูกเลี้ยงเนี่ยไอลูกแท้แทไม่ค่อยฉลาดไอเด็กคนนี้มันฉลาดเพราะมันเล่น เล่นอะไรนะเล่นแบบเด็กๆเล่นมากรุกเล่นอะไรทั้งหลายแหละเล่นสกาเล่นอะไรเนี่ยมันเล่นเก่งมากชนะคนอื่นหมดอ่ะแต่ว่าไอ้ลูกแท้ๆเนี่ยไม่ค่อยฉลาดในยก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเออแค่ก็เล่นคลุบว่านั้นอ่ะไอ้คนผู้ลูกแท้ๆนี่ก็เล่นคลุบเล่นไปเล่นมาเนี่ยแพ้เกือบหมดตัวแล้ะเหลือของอยู่ไม่มากเห็นพี่ชายมาบอกพี่พี่พี่พี่เล่นแทนหนูหน่อยแต่หนูแพ้ไปเยอะแล้วเล่นแทนหน่อย บอกไม่ได้นี่พ่อใช้พี่ให้ไปที่บ้านช่างหม้อไม่เป็นไรพี่พี่แก้ตัวให้หนูแทนเดี๋ยวหนูจะไปทํางานให้พี่เองแป๊บเดียวมันไปยากอะไรก็เลยถือจดหมายไปก็เลยถูกฆ่าเข้าเตาอบเรียบร้อยแต่เด็กคนนี้ก็ตอนเย็นก็กลับไปบ้านพ่อเห็นบอกว่าเอา้าอวแล้วพ่อใช้ให้ไปส่งหนังสืออะก็บอกน้องเข้าอาสาไปอ่ะเราบอกโอ้โหใจในแป๊ลเลยวิ่งไปโอ๊โยอย่าฆ่าเลยอย่าฆ่าเลย พอไปถึงบ้านช่างมอเนี่ยนะยาเลยอย่าทําลายฉันเลยเจ้านายครับจะเอิดไปงานที่เจ้านายเรียบร้อยทุกประการแล้วงานยิ่งหนักเขาอีกไข้แท บ, บขึ้นเลยป่วยเลยนะเครียดมากแล้วก็วางแผนฆ่าตั้งแต่วันนั้นเริ่มลงป่วยเลยเริ่มป่วยแล้วเรียกว่าน้ำหนามที่มันเสี้ยนอยู่ในใจเนี่ยมันรุนแรงมากพยาบาทมันแรงขึ้นทุกวันทุกวันวางแผนใช้ให้คนอื่นฆ่าเรียกว่าส่งไปให้อีกที่หนึ่งฆ่าเท่ากับส่งให้มันไปมีเมีย เดีวนะคะเท่าเขาไปส่งให้ไปได้ลูกสาวเศรษฐีอยู่เมืองอื่นในที่สุดก็ก็เป็นโคสก่าเศรษฐีนะเจาของวัดโคศิารามเนี่ยตอนหลังแกก็สังเวชใจมากก็ให้ทานให้อะไรแต่ฝ่ายเศรษฐีเนี่ยพยาบาทจนตายเนี่ยนะ ก, ก็ก็เป็นโรคป่วยจนตายเนี่ยทุกว่าน้ำทิ่มใจเหมือนกันเพราะฉะน้ำทิ่มใจเหล่านี้อกุศลธรรมเหล่านี้ไม่ใช่จะเอาออกกันง่ายๆเนี่ยนะสมมติถ้าเรามีเรื่องที่ไม่สบายใจสักเรื่องหนึ่งเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะถอนออกง่ายๆ่ทนลูกสอนคือราคะลูกสอนคือโทสะลูกสอนคือโหมหะและลูกสอนคือโมหะที่เราไม่คิดว่ามันเป็นลูกสอนด้วยเนี่ยนะก็ไม่เคยคิดจะผ่าตัดเอาออกเลยว่ามันมันรุนแรงมันเลวร้ายมันสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนอยังไงเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเป็นลูกสอนแล้วก็ลูกสอนคือมานะลูกสอนคือ ทิฏฐิลูกสอนคือทุจริตกรรมทั้งหลายทันบาปอากุโสลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็บอกว่าเหมือนกับเสี้ยนน้ํานไเหมือนกับลูกศอนที่มันปักมันทิ่มมันแทงอยู่ในใจลูกกิเลสอกุศสลธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับห่วงน้ำห่วงน้ําใหญ่เหมือนกับสายโซ่ที่ร้อยรัดเหนไมเหมือนกับเครื่องคล้องเครื่องร้อยเครื่องรั ด, เ ป, เ, รดเป็นเครื่องหมักดองเป็นเครื่องหมักหมมเป็นโคลนเป็นตม นะสุดแท้แต่จะเอามาเปรียบกับสิ่งที่เลวร้ายถ้าเปรียบเช่นพูดถึงเหล็กพูดถึงทองก็บอกว่าไอ้กิเลสทั้งหลายก็เช่นกับสนิมเนี่ยนะมีแต่สร้างความทําลายก็คือสิ่งที่สร้างความทําลายให้แก่สรพพะสัตโตทั้งหลายโดยประมาณไม่ได้ถ้าพูดในแบบสุขภาพก็บอกว่ากิเลสทั้งหลายก็เหมือนกับเชื้อโรคนะเหมือนกับตัวโรคภัย ไ, ไข้เจ็บที่สร้างแต่ความเดือดร้อนเ<ม>พราะฉะนั้นสมควรละสมควรกําจัดโดย ส่วนเดียวใครที่ละความเศร้ามองละความขุนมัวละบาปละอกุศลธรรมได้นั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขและความเจริญกุศลธรรมทั้งหลายถ้ายิ่งเจริญขึ้นเท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขและความเจริญที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องมีอัธยาศัยที่เรียกว่าน้อมไปเพื่อการละสิ่งที่ควรละน้อมไปในการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญถ้าเรามีอัธยาศัยเช่นนี้ เราเรียกว่าเรานี่คือเชื้อสายของพระอริยเจ้าเรียกว่าดํารงอยู่ในอริยะวงนะถ้าถ้ามีอัธยาศัยอยู่ในใจอย่างนี้จริงๆว่าน้อมไปเพื่อละบาปละอกุศลน้อมไปเพื่อทานเจริญกุศลนั่นแหละเรียกว่าเป็นอยู่ในวงของพระอริยเจ้านะในที่สุดก็จะได้รับมรดก อ, อริยธรรมแน่นอนถ้ามีอัธยาศัยจริงๆเป็น เช่นนี้คือการน้อมไปละในสิ่งที่ควรละน้อมไปเจริญในสิ่งที่ควรเจริญนี่มาดูว่าแต่ละอย่างให้มันน่าละน่าเจริญไหมมาดูนะในข้อ7จสิบสามปฏิสัมพิธามัตภาเวตพฐามาเวตพานิเทศเนี่ยนะพูดถึงภาวนาเนี่ยนะภาวนาที่กล่าวไปแล้วเนี่ยคือภาวนาสี่ภาวนาสี่มีอะไรบ้าง ภาวนาก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าภาวนาเพราะว่าอาเสวณภาวนาเบื้องต้นของอัปปนาปฏิลาภะภาวนาก็คืออัปปนาเอการสาภาวนาก็มีรถเดียวคือมีมุตติรถเป็นต้นหรือมีกิจอันเดียวกันอาเสวณภาวนาก็คือเจริญโดยมากส่วนภาวนาอีกกลุ่มหนึ่งในข้อเจ็ดสิบสองหัวข้อก็บอกว่าภาวนาด้วยอัตถาว่าไม่ล่วงกันและการแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้น หรือที่ชื่อว่าภาวนาก็ด้วยอัตถาว่าอินทรียทั้งหลายมีกิจเป็นอย่างเดียวกันสามชื่อว่าภาวนาเพราะอัตถาว่านํามาเส้นความเพียรอันเข้าถึงธรรมะนั้นๆชื่อว่าภาวนาด้วยอัตถาว่าเสพเป็นอันมากฉั้นภาวนาในที่นี้ไม่ใช่เรานั่งท่องนั่งบริกรรมนะแต่หมายถึงการสร้างคุณธรรมภาวนาก็คือสร้างคุณธรรมขึ้นในใจ ะการสร้างคุณธรรมทั้งหลายให้ขึ้นในใจทนีนี้การสร้างคุณธรรมทั้งหลายขึ้นในใจเนี่ยนะมีตรงเนี้ยพูดถึงสี่ลักษณะหนึ่งท่านบอกว่าไม่ล่วงกันและกันแห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภาวนาคือในขณะที่ภาวนาเนี่ยคือขณะเกิดขึ้นขณะเจริญขึ้นแห่งกุศลรธรรมทั้งหลายขณะที่เจริญขึ้นเจริญเติบโตขึ้นบริบูรณ์ขึ้นแห่ง และว่าไม่ล่วงเกินกันและกันในขณะภาวนาเนี่ยเป็นอย่างไรไอ้คาว่าไม่ล่วงกันและกันเนี่ยนะไม่ไม่ล้ําหน้ากันและกันเนี่ยนะเป็นไปอย่างพอดีซึ่งกันและกันถ้าเราคิดอีกในหนึ่งท่ารถนะสมมติว่าล้อข้างหน้าเนี่ยมันมีล้อหนึ่งมันรีบไปหน่อยไอ้ล้อหนึ่งมันช้าเอาช้าเอาเนี่ยนะทํำท่าจะไปไหนดีล้อไหนช้าล้อนั้นก็ถูกเลี้ยวนะตัวเองก็ต้องงอเลยแหละนะเขาเหมือนกับสมัยก่อนเคยขับเกรียนเนี่ย ถ้าวัวตัวข้างไหนช้าตัวนั้นะจะถูกอีกข้างเร็วๆก็จะถูกตีวงกลับละฉันใดล้อข้างไหนที่ช้าก็แปลว่าจะถูกเลี้ยวแล้วนะถ้าถ้าเป็นเป็นกลุม่มกลุ่มรถโบราณอ่นะฉันใดกุศลธรรมเนี่ยไม่เหมือนอย่างนั้นนะจะต้องเป็นต่อย่างสม่ําเสมอแต่ละอย่างไม่ล่วงเกินกันและกันนั้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ล่วงเลยกันและกัน เป็นไปร่วมกันเป็นไปอย่างสามัคคีกันปรองดองกันไม่ก้าวไก่กันและกันเนี่ยนะก็เป็นไปได้อย่างอย่างดีแสดงว่าแต่ละอย่างเคารพกันมากนยะกุศลธรรมแต่ละกุศลนี่เคารพกันมากไม่ล่วงอะไรไม่ล่วงเกินกันและกันเนี่ยนะไม่ล้ำหน้าใครเสือแก่ใครและใครเนี่ยนะเพราะทุกคนตั้งอยู่ในความเคารพซึ่งกันและกันฉันใดกุศลธรรมก็ฉันนั้นนั่นคือลักษณะแห่งการภาวนาเพราะอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าถ้าภาวนาโดยที่ ศรัทธาเกินไปเนี่ยอะไรจะเกิดงมงายปัญญามากไปอะไรก็ไม่เชื่อสักอย่างเลยนะหนักๆเข้าบุญก็ไม่ทําอ่ำถ้าเพียรเกินไปเพียรเกินไปฟุ้งซ่านถ้าดูเหมือนสงบเกินไปเนี่ยสงบเกินจริงๆไม่มีหรอกดูเหมือนสงบเกินไปเนี่ยก็ทีนะนี่นะโรคเสื่อมซึมโรคม่วงเงาจะเข้ามา มาดูว่าคุณธรรมที่ที่ไม่ร่วมกันและกันเนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะทำทั้งหลายที่เกิดด้วยสามารถแห่งเนคขมะย่อมไม่ร่วมกันและกันเพราะฉะนั้นชื่อว่าภาวนาพระอัตถาว่าไม่ร่วมกัน Fourth และกันในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภาวนานั้นเนคขมะนั้นเนี่ยนะเอ่อเป็นคุณธรรมที่สามารถนําออกจากกามฉันทะได้เป็นคุณธรรมที่ละกามฉันทะได้ คุณธรรมที่จะสงบตามมฉันทะได้เนี่ยนะความเศร้าหมองด้วยอำนาจราคะเนี่ยถามว่าสมมติขณะที่เศร้าหมองด้วยราคะเนี่ยคิดยังไงจริงจะเลิกใจจะเลิกเศร้าหมองไอ้ความเยื่อใยความผูกพันในรูปเสียงเป็นต้นเนี่ยนะทำยังไงความเศร้าหมองเหล่านั้นจะลดลงไปนะเรียกว่าความหอยหิวทางความคิดในะราคะเนี่ยตามมาฉันทะเป็นลักษณะ น, นั้นเรีความอดอยากทางความคิดเนี่ยนะมันแห้งแรงมันต้องการมันหอยหิวอยู่นั่นแหละ ถามว่าจะแก้มันได้ยังไงเนี่ยนะจะละมันออกไปได้ยังไงความเศร้าหมองตัวนั้นเชื้อโรคตัวนั้นที่มันชุ่มอยู่ตลอดเนี่ยทําได้ยังไงเขาบอกว่าต้องมีกุศลเนคขมมะมาตัวชดเชยที่จริงที่เรายึดติดเนี่ยนะติดในกามทั้งหลายเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ากามทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแห่งความเพลิดเพลินหรือตัวที่เพลิดเพลิน ตัวที่เพลิดเพลินตัวที่พอใจตัวที่เรียกว่าสุขสมนั้นอันใดที่อาศัยการมนั่นแหละเรียกว่าอาัศาธาแหางา่งกรมแห่งกรรมทั้งหลายนามาซึ่งความเพลิดเพลินจริงๆ จ, จะต้องมีคุณธรรมที่ดีเยี่ยมจึงจะออกจากความเพลิดเพลินเหล่านั้นได้โอเคจะต้องก็ชดเชยกันได้อะ